บิล ا ل ر ิราะห์มานุรร م ีม alhamdulillahirobbin alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل به وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وب 伊斯 ا مدين وبمحمد رسوله اللهم فاكه في الدين وعند التأمين ر ับอิศราะดี ي ดาริ ل ยัสรีอัมลิว ن หลุนองกต ي ي มิลิสานียัฟ ل หู ا าวลีอัลลอฮุ ا ะอินนาณั ط ي ب ا و ع م ل ا م ت ق ب ل ا يا رب العالمين بسم الله الذي لا ي د ر ما اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ب ิ س م ا l l h i l d i l a r م ع ا س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ب س م i ل ل a ا ل l l a ا ي l م ع ز م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮสุบฮานะหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆ ท, ท่านก็เป็นการสอนกุรานพร้อมความหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงที่2จะเป็นการบรรยายโดยท่านอาจารย์ยาฟัด ร, ริพิทัก เราก็จะทำการอ่านกุรานพร้อมความหมายเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลา10โมงครึ่งนะครับอิชอาลาะนะเราอยู่ในสูราะอัลมาอิดะสูราะที่5นะครับสุราะที่หยุสที่6ใครที่อ่านหนังสือที่แบ่งเป็นยุส เ, เล่มหยิบเล่ม6มานะยุสที่ห อายะที ah am, ah am, ah ่สอายะที่สามสุร์อัลมาอีดะขึ้นต้นอายะก็คือฮอริมัตอไลกูมุลไมตาตัวัดดามูวะละมุลคินซีรีอไลกูมุสลัมบอรมัตุลาเมกาตุ เจอกันยัง จ, จ้าข้างหลังเจอกันไหมข้างหลังเหมือนเหมือนไม่ได้เรียนกันนะสัปดาห์ที่แล้วเรียนกันนะหาเจอเปล่าก็จอ่อต่อจากครั้งที่แล้วนั่นแหละเวลาเราเรียนจบตรงไหนเราก็เอาประกามาร์กไว้ด้วยเ <c oughs> จอแล้วนะเอาเจอแล้วกี่มาเร็วประจำที่ เดี๋ยวเริ่มฟติฮาก่อนนะครับอาลลอฮ ل บิลเลาะห์ฮิม anyway> ินะชัยนิริมบิสมิลลาฮิร الحمد لله رب العالمين อัลลอฮ์มานีราะหิมมัลกียามิดดินอียังกะ ي ับดูแล ع อีกนสต อิห์ดีนะศรีรัตอัลมุสตักีมศรีรัตอัลลาฮิณะอัลงามตะ عليهم ไรร์อัลมะดุบ عليهم وظالين อาเมนอ้างอุบิลลาฮิมินอชชัยตานิรอจีมฮุริมัอัลัยกุมุลไมตาตุวดะมุอัลละมุลคิซิร อ่าดูนิดนึงนะลงท้ายไมยตัตู้นะสละดอมมะนะไมตัตู้แล้วก็วัดดามูวัดดามูวะละมุลคินอ่านว่าคินนะคินซีรนะครับไอ้รอบหนึ่งฮุรรีมัตอะัยกูมุลไม่ตั้วตู้วัด ดามัวละมุลกิซิร์ว่าِาอุหิลลาลิกรีร์ละฮิบิฮิวะลุลขนิ อ่ามุนคอนีโกนะมุนคอนีโกวัลมุนคอนีโกวัลมุนคอนีโก้อ่าไ อ, อรอบหนึ่งนะวเมนอูฮิลลัลีไกริลลัฮิบิฮิวล ม, มุนขอนีโก อ่าต้องมุนนะกีนะตัวคออ่านชัดอ่านชัดแล้วไปเลยไม่หน่วงเสียงบางคนหน่วงเสียงวันมอคอนีก็ผิดอ่านชัดเลยวันมุนคอนี่ก็นูนตายพบคออาลีฟอินฮาอิซฮัตค อ, อ, อก็เป็นอิซฮัตอ่าอีกรอบหนึ่งนะวันมุนคอหนีก็ วัลม <oples> ุนขานิกตัววัลมาอูดะตัววัลมุตรดีตั ا น ن ط ي ح ะอีกรอบหนึ่งนะ ว ا ل มุนคอนีกตัววั ذ มา ا ูด ت ต د วว و นมูตรอดเดียตัววันนาติ ق ة มูตรอดเดียตัววันนา حة วันนา ي حة ต م ว กُ إ, ح ح أ, إ ِ์َูอิลลَ่มาดกัยตุมวันَักอิฮะตุอมากัล م ์บูอิลล่ามาดกัยตุ ا ว่ามาดูบิฮะอ ن ลนุสบิَอัลตัส ตััสิมูบิลอสลามอตัตมูตัวซีนะมูบิลอลามต้องมีสมาธิเพราะว่าตัวมันจะ ติดติดกันนะครับอีกรอบนึ่งนะวะมาซูบิฮาวะมาซูบิฮะ ع ل ا ن و س อันตัสต س ก ا ق س ي م و ب ي ل أ ล ل ม ل ล ك กุม فسق ا ل ي َ و م ا ي س ا ل َّ ذ ي ن كفروا من دينكم فلا ت غ ش ْ ه م وخشؤن อันนี้มันจะเป็นมักลีนนะวัชชานและมีตัวนูนอยู่ข้างหลังนะชานไม่ใช่ชูนะวัชชูนไม่ใช่ต้องอ่านชาวก่อนฟัฐาก่อนวัชชานแล้วก็โดนนูนข้างหลัง اليوم ي ئ س َ ا الذين كفروا من دينكم فلا تخشون อัลยาอ ك มะอัคหม์ร ك ลทูละคุมดีนักุมวะอัตมัมตอัลเุมเนียี และฉันมั่นใจในคَุงِ ي ความดีขอُคุณและฉ ل นรักคุณมากที่สุด รอฟีมัคมาสอตินกอยรมุตเจนีฟิลอิสฟะมะนิ ตุรราฟีมัคมาสตินโกลิรามุตเจนีฟิลิอิสมินฟาอินอัลลอ ف ฺฟาอิน ا ัลลอฮฺ فإن الله غفور الرحيم الر อมาดูความหมายกันนะครับหุรีมัตคำว่าหุรีมัตก็คือเป็นที่ห้ามนะถูกห้ามใครใช้เราใครใช้ใครใช้ให้ห้าม อัลลอ์ถูกห้ามพวกเราเนี่ยถูกห้ามจากคำบัญชาใช้จอาลลอฮ์อะไลกุมอย่างพวกเจ้านะอัลไมตะนะครับอัลไมตะก็หมายถึงสัตว์ที่ตายเองซึ่งเราจะเรียกไมาตาว่าซากสัตว์เราเดินไปเราเลี้ยงไก่เอาไว้ปรากฏว่าไปเจอไก่อยู่ดีมัน น้ำลายฟูมปากตายพึ่งตายใหม่ๆนี่หละแต่แล้วก็เชื้อไปทันด้วยเพราะมันตายเลวเฮ้ย <c oughs> เสียดายวะอิสลามบอกว่าแม่ของพวกนี้มันน่าจะเอามาเป็นประโยชน์ก็ถอนไก่ถอนขนไก่เสร็จปั๊บก็ต้มขาไก่เลยเรียบร้อยกินนนยิส <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่เอามาเชือดก็าตามนะเพราะเชือดหลังจากที่มันเลยมันตายเลว นั้นการเชื้อดเนี่ยจะมีผลต้องยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันตายแล้วเอามาเชื้อดก็กลายเป็นซากสัตว์อยู่ดีคราวนี้บางคนถามว่าอาจารย์แล้วก็ถ้าฉันไม่กินแล้วให้คนอื่นล่ะเออฉันไม่กินเราแต่ฉันให้คนอื่นล่ะพี่น้องอันนี้ด้วยความรักถ้าให้คนอื่นได้นี่นะแน่นอนว่าเหล่าซอบ้ก็ต่อไปให้คนอื่นเช่นตัวอย่างของแกะที่ตายตัวหนึ่งท่านหญิงไมมูนนะ น บ, บีท่านหญิงไมมูนามีความเข้าใจศาสนาใช้เอาไปฝังถามว่าทําไมท่านหญิงไมมูนาไม่เอาไปให้เพื่อนบ้านที่ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมละ่ะทําไมเอาไปฝังสแสดงว่าเอาไปให้คนต่าง ส, สนิกก็ให้ไม่ได้เพราะของมันทารอมในตัวมันมันเป็นเนยิสเหมือนกับเราได้เล่ามาแล้วเราก็บอกเราไม่กินเราเราให้เพื่อนต่อก็เล่ามันเป็นของทารอมในตัวมันของอะไรที่ฮารอมในตัวมันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปให้ต่อได้ น, นั้นด้วยความรักบางคนเสียดายมีลูกจ้างวัวตายเฮ้ยทำไมไปฝังละ่ะพวกแกกินกันเห็นไม่กินนะกลายเป็นว่าไอ้วัวตัว น, นั้นมีเชื้อโรคระบาด ต, ตายกันอีกเผยแพร่โรคอีกนั้นจะเห็นว่าสัตว์ที่ตายด้วยโรคโดยเฉพาะโรคเนี่ยทางฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็จะขุดหลุมฝังเลยแต่พวกนั้นมันโหดร้ายกว่าเพราะอะไรเพราะมันฝังตอนที่ยังเป็นก็นมีมันรู้ว่าวัวตัวเนี้ยพวกเนี้ยมีเชื้อแล้วมันทํายังไงมันไม่ฆ่านะมัน เทลงหลุมน้ำฝังทั้งเป็นเลยอันนี้โหดรา้ายอิสลามไม่ทำํำของเรานี่ให้ตายก่อนถึงจะเอาไปฝังไม่ฝังทั้งเป็นก็ต้องฝังขายไม่ได้ครับของในยิสขายไม่ได้อีกอันหนึ่งนะที่ต้องเตือนกันด้วยความรักนะคนที่ขายเนื้อหนาเบไม่เกี่ยวนะอ๋อไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยว เลือดเนี่ยเอาไปให้ไม่ได้มีร้านมุสลิมเอาเลือดผูกใส่ถุงแถมนี่แหละที่มันบาปบางคนบอกอาคันไม่ขา ย, ยางไงแต่ฉันให้งไงก็บอกแล้วของอะไรที่มันเป็นนยิสให้ไม่ได้แล้วก็เป็นการจูงใจด้วยใช่ไหมล่ะพอร้านอื่นเขาขายร้านเราเราขายดีเลย อ่าร้านเนี่ยร้านมุสลิมถึงบอกว่าคนเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยโอกาสทําบาปมีถ้าไม่เรียนศาสนาใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องในยิสหนักกว่านั้นไปถามไ้คนขายเอาเลือดแถมก็ถามว่าละหมาดไหมก็ไม่ละหมาดอีกถึงเวาลาไม่ละหมาดอีกเพราะกาลัวเปื้อนบอกเดี๋ยวเลือดมันเปื้อนฉันไม่ละหมาดหรอกนะดังนั้นมันจะเป็นลักษณะที่ไปในนุดในแนวทางเดียวกันถ้าเคร่งคัดศา ส, สนาเลือดเขาทิง้ง เขาจะไม่เอามาใส่ถุงแล้วก็แถมให้กับลูกค้านะอันนี้ด้วยความรักนะใครที่ทำอยู่ตอบัตซะเลิ ก, กอ้าวเขาก็มาซื้อ้ายมุสลิมเพราะว่าได้เลือดแถมแ ต, แต่เราเนะี่ะบาปไอ้คนเนี่มาซื้อเขาไม่มีเรื่องหรอกเขาไม่ใช่มุสลิมก็เลือดของเขา <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็ไปทําไม่ได้ทํายังไงอ่ะของที่อารอมหัตยาของที่อารอมด้วยความรักนะฉันบอกแล้วนะฉันจะไม่เอาเรื่องศาสนามามาเปลี่ยนหุกรมตามใจฉันก็ในเมื่อมันอารอมนะก็ให้ไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวอย่างที่ฉันบอกอ่ะบางคนดูดีจังเลยโอ้โหเนี่ยวันเนี่ย เลี้ยงวัวคนงานวัวหันถามว่าเลี้ยงทำไมเลี้ยงวัวหัอ๋อวัวมันโดนงู ก, กัดตายเราเลยเอามาเลี้ยงเหมือนดูดีแต่จริงไ ม, ไม่ดีอะผิดหลักการฮะอ๋อขวดเบียร์คนละเรื่องถ้าขวดเบียร์สมมตุติเรามีอพาร์ตเมนต์และปรากฏว่าขวดเบียร์ที่เขาทิ้งในถังขยะเราเก็บเอาไว้ และถึงเวลาขายของเก่าแล้วขายอันนี้ไม่ผิดอย่าว่าจะขวดเบียร์มาขายของเก่าเลยเราล้างให้สะอาดเอามาใส่น้ําผึ้งสมัยก่อนน้าผึ้งเอามาใส่ในขวดไม่โครก็แบบไม่รู้ใส่ขวดน้ําผึ้งก็ใช้ได้เพราะมันไม่ได้ฮาระมันได้ฮอรอมที่ขวดมันฮอรอมในน้ําข้างในขวดเบียร์นะเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องระวังเรื่องของการชุบหัตเพราะอะไรล่ะสมมุติขอโทษนะ บ้านอาจารย์เนี่ยประหยัดมากเลยมาเก็บขวดเบียร์มาใส่น้ําเปล่าในตู้เย็นเปิดกีบเปิดมาตกต ก, ตกใจบ้านอาจารย์กินเบียร์เว้ย <laughs> เพราะยังไงต้องคิดว่าเป็นเบียร์อยู่แล้วอยู่ในกระป๋องไอ้อยู่ในขวดใช่ไหมอย่างเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงในการที่จะทําให้คนเข้าใจผิดขวดอื่นมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ขวดเฮลูบอยก็มีไม่ใช่อันนี้ใช้ขวดไม่โขงนะเก็บขวดขายได้ไม่เป็นได้ไม่ห้รอม เพราะขวดไม่ได้ทรอมในตัวมันมันทรอมเรื่องเอาไปใช้ถ้าเอาไปใส่เหล้า ก, ก็ บ, บาปเอาไปใส่น้ําพึ่งก็เป็นประโยชน์ลอกฉลากออกก่อนนะบางคนไม่ลอกฉลากเลย <c oughs> แต่จะใช้เอาฉลากออกหน่อยเอานะพี่น้องด้วยความรักด้วยความรักถ้าไม่รักไม่เตือนอย่าแม่ถ้าไม่รักก็บอกเอาทํางไปเถอะบาปเรื่องของเตของตัวใครตัวมันแต่ขอบอกเคยบอกว่าเขารักเราเขาเลยบอกว่าเออมันไม่ได้ ฉ, ฉันโดนหลายเรื่องเรื่องเรื่องเลือดก็โดนไปแปรที่ไหนโดนเรื่องดอกเบีย้ยก็โดนเรื่องค่าปรับขอพักก็โดนเนี่ยโดนหมดแหละเป็นตัวครูอะถ้าแปรฮา้านฮารอมันะอืมอ้าวต่อมาซากสัตว์ยกเว้นที่ไม่เป็นซากสัตว์ก็คือปลาและก็สิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมด และก็ตั๊ ก, กแตนและก็คนคนเนี่ยไม่เป็นซากสัตว์แปลว่าโดนตัวเนี่ยไม่ต้องเอาไปไปเป็นนายิสตเพราะาโดนตัวคนไม่เป็นทั้งคนที่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ศาสนาถือว่าซากคนคนตายเนี่ยสะอาดแต่เมื่อเวลาจะนําทำการเขาเรียกอะไรฝังต้องมีการอาบน้ําแต่อาบน้ำเนี่ยมันไม่ได้อาบน้ําสิ่งสกรปรกนะมันไปอาบน้ําเรื่องสกรปรกในตัวด้วยแล้วก็เรื่องของหัดัสด้วย ใช่ไหมเพราะว่าอาบน้ำโยคะดัสอาบน้ําเหมือนโยคาดัสเละแต่ครั้นี้คนเราเวลาจะตายมันขอโทษนะทวารมันเปิดชีแตกชีราดอันนี้ไม่ได้ปกติเลยนะเวลาจะตายทวารมันจะเปิดหมดนะครั้นี้เมื่อต้องล้างอยู่แล้วเพราะมันเปื้อนพอเปื้อนก็ต้องล้างแล้วถ้าเกิดมันไหลออกมามันก็ทำให้เสียน้ำเหล้าหมาดเขาก็ต้องอาบน้ำเหล้าหมาดใหม่เอเขาต้องกดท้องไงต้องกดท้องล้วงอ่อให้หมดอ้าวยกเว้น ปลาแล้วก็สัตว์ทะเลทั้งหมดทั้งหมดเลยที่อยู่ในทะเละกินได้หมดบางคนถามฉลามกินได้ไหมกินได้แต่ไม่รู้มันจะกินดาวกอดหรือเปล่านะเอ <c oughs> ปลาตื่เยอะๆกินฉลามนะวัดดามูวัดดามูก็าานะคือเลือดเลือดตรงนี้แหละพี่น้องนะนบีบอกว่าเอาดามัสฟ am ูฮันเลือดที่ไหลนะเลือดที่ไหล พบูฮาติมบอกว่าถูกถามเกี่ยวกับม้ามของสัตว์ม้ามเนี่ยถ้าเราเอามาปั่นเนี่ยมันเหมือนเลือดเลยหรือตับก็ได้ตับเอามาปั่นเหมือนเลือดแหละเขาเลยถามว่าม้ามหรือตับพวกนี้ยใช่เลือดไหมนบีบอกว่าใค่กินมันเถิดเพราะมันไม่ใช่เลือดนะเลือดที่อิสลามห้ามคือเลือดที่ไหลออกมาจากการเชื่อดดังนั้นคนบ้านเราเนี่ยจะกลัวเลือดมาก ขนาดล้างเนื้อแล้วล้างเนื้อแล้วเนาะล้างรอบหนึ่งแล้วนะเสร็จแล้วใส่ไว้ในจานพอจะเอาเนื้อจะใส่จะใส่หม้อหันไปทีนึงเฮ้ยมีเลือดเว้ยล้างอีกแล้ว <Okay. S 1> ล้างไปล้างมาไม่มีเนื้อไม่มีกลิ่นรถแล้วซีดชาบูเนี่ยใครที่กินชาบูแล้วก็ใส่แช่แข็งเนาะเวลาดึงออกมาเวลาจะย่างเนี่ย ในกล่องโฟมมันก็จะมีน้ําแดงๆใครไปล้างก็หมดอร่อยสินั่นแหละดึงขึ้นปับ๊บแล้วก็ย่างกินเลยเพราะไอ้เลือดที่มันอยู่ในในถาดโฟมเนี่ยมันคือเลือดที่อยู่ในเนื้อซึ่งไม่ห้ามเพราะครั้งหนึ่งท่านหญิงไงใช่ผมไม่รู้คขาล้างมาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ล้างเรียบร้อยแหละ <laughs> แต่การล้างเยอะเนี่ยมันทําให้รสชาติเนื้อหมดเปลียน ที่ห้ามห้ามดังนั้นบางคนเนะี่ยไม่รู้เรื่องทําจนกระทั่ ง, งรถไม่มีอร่อยทําไมโอ๊ยคนทำไมบ้านนี่ก็ทําเนื้ออร่อยบ้านเราทําแล้วมันจืดจืดออกกระแกนล้างขนาดนี้คงไม่เหลือแล้วแหละความอร่อยนะอันนี้คุยด้วยความรักเหมือนกันและก็คราวนี้ทํามันเปื้อนมันหยดก็เช็ดธรรมดาเลยสมมตุติเราถือน้ําเลือดนรงเนื้อนะแล้วมันถุงมันหลอดมันหยดอะไรเงี้ยเช็ดเลยไม่ทําเหมือนเลือดที่มันไหลที่เชือ้อคนละเรื่องกัน แต่ถ้าเลือดที่ไหลาจากบาดแผลสดอันนี้เป็นอซ์นะเลือดที่ไหลาจากบาดแผลสดเช่นเรามีแผลแล้วไหลออกมาอย่างเงี้ยเป็นไอิสไหลเลือดที่มันไหลอ่ะไม่ใช่เลือดที่มันอยู่ในเนื้อแล้วมันซึมออกมาไม่ใช่นะอันนี้ด้วด้ว ย, ด, วยด้วยการปฏิบัติของพวกเราเราถูกปลูกฝังว่าเห็นเลือดปั๊บไยิสหมดเลยไม่ใช่กุรอานบอกว่าเอาดามมัสฟูฮันอีกสุ อ, กอีกอายาหนึ่งเลือดที่ไหลนะ ความจริงอับบูอาบดุลละมูฮัมห oh มัดอิบโนอิจริสอัชชารีได้รายงานต่อว่าโอ้เฮลลานาไมตาตานวัดดามันสองสัตว์สองประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นซากสัตว์เป็นซากสัตว์นั่นแหละแต่ว่าอิสลามบอกว่าอนุญาตกินได้วัดดามันเลือดอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือปลาแล้วก็ตะกแตนอ่าคราวนี้มีคนถามตะกแตนอาจารย์แล้วรถดวนล่ะอะไรด้ะแมงปองล่ะพึ่งล่ะ มันน่ากินตรงไหนเลฉันยังไม่ยู้เลยเอามาเสียบไม้แล้วก็ปิ้งงับตะคงตะขาบดูดิ ي, มีหมดอะดอ่ะอ่าใช่ตัวมันห้ามฆ่าก็ไข่มันแค้มกินคราวนี้ปลาจะมีสองส่วนชฟฟีอีเนี่ยบอกว่ากินไม่ได้เพราะเป็นซากสัตว์นอนเนี่ยมีนอนประเภทเดียวที่กินได้แล้วไม่บาดนอนที่อยู่ในผ ล, ลไม้แล้วเราไม่ไม่ตั้งใจกิน ถ้ามันอยู่ในผักเนี่ยสมมุติเราไปผัดผัดผู้บุกไฟแดงไปเจอหนอนอยู่ต้องเททิ้งทั้งจานไหมไม่ต้องเอาหนอนออกกินได้ต่อมันอยู่ในผักบางคนไปเจอหนอนในผักไปไงเททิ้งทั้งจานเลยเอาหนอนออกพอเราไม่กินหนอนไงแต่หนอนมันอยู่ในอะไรในผักถามว่าถ้าบอกเป็นซากสัตว์ยุ่งไหม ยุงนี่ทิ้งกันกระจายแล้วเจอหนอนทิ้งเจอหนอนทิ้งศาสนาบอกเวกเว้นหนอนที่อยู่ในผักผลไม้แล้วเราไม่สามารถจะเอาออกมันได้ผัดไปเลยเจอหนอนปั๊บเอาออกพอแล้วกินต่อแต่อย่าบอกลูกค้าก้าวออกถ้ากินไปก็ไม่เป็นไรทําไมตั้งใจก็พาออกเอาอาจออก คือหนอนพวกนี้มันเป็นมันไม่ใช่หนอนเ or, น่าแน่มันเป็นหนอนที่กินผลไม้หนอนมันนอนกินพืชมันไม่ใช่หนอนกินพวกสัตว์เน่าคนละเรื่องกันนะเออแต่ไม่ใช่กินเราเอามากินได้แต่ว่าถ้าเราเจอ er ในอาหารไม่ได้แปลว่าเราต้องทิ้งทั้งหมดเราแค่เอาออกแต่ถ้าเป็นลูกค้าเราเราทิ้งทั้งหมดเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนถาดใหม่ให้เขาเพราะว่าลูกค้าแต่ถ้าผัดกินเองเนี่ยแล้วก็ อ, ออกแล้วกินต่อไม่เป็นไรส่วนทัศนาหนึ่งเขาเปิดเขาบอกกินได้หมดหนอนน่ย อ่าก็แล้วแต่แอบถ้าเป็นชาฟีเราก็ไม่กินเพราะว่า น, นี้ไม่มีหลักมันไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดชัดเจนเป็นการเทียบวัดเป็นตักกะแตนไหมแต่ที่ดับบีบอกดับมีตั ก, กะแตนแต่อันนี้ชัวรเลยกินได้ตักกะแตนทอดกรอบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าย่าไม่ต้องเลี้ยงฉันว่าจะไม่เอาตะ ก, กะแตนนะ ไ, มไม่ชอบอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อนะวัละแม้วันละมุนคินซีดสุกรเนื้อหมู ทั้งหมูบ้านและหมูป่าห้ามหมดเลยและก็รวมถึงไขมันของมันด้วยปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมาถามท่านนาบีอยู่ในหนังสือนะในสือโอเฮียบอกหนังสือโเฮี ย, บ, ออยบุคครนีในหมามุสลิมบอกอินนัลลอฮารอมะไบอัลคอมแท้จริงอัลลอ์เนี่ยห้ามขายห้ามขายใช่ไหมห้ามขายสุราซากสัตว์เนี่ยซากสัตว์และก็เนื้อสุกะและก็หมูและก็อัสนามอัสนามก็คือพวกรูปปัน้นเจวิต ห้ามครอบครองจะคิดว่าของสะสมไม่มีห้ามเป็นรูปปั้นอะไรเนี่ยต้องเอาไปจัดการให้เรียบร้อยห้ามเอามาเป็นครอบครองไม่ได้แม้ว่าจะไม่ได้นับถือก็ไม่ได้วกี้ระยะรอซูลล้อรอไอตาชูฮูมันไมตาฟน์น่ะมาตัวเตลาบีฮาสุฟุนมีคนถามนาบีบอกว่าเราเนี่ยพอกเราสมัยก่อนนะเราใช้ไขมันของหมูมาทำอะไร เอามาทาเรือไขมันหมูเนี่ยไปซื้อไขมันมาแล้วก็มาต้มไม่ได้กินต้มจนเป็นน้ํามันแล้วก็เอามาทาเรือเพื่อที่จะกันในรอยที่มันจะทําให้อุดตามรั่วหรือเราเอาหนังมันมาใช้หนังหมูมาใช้เช่นหนังหมูมาทำรองทงรองเท้าทําอะไรกว่ากันไปหรือเราจะเอามาเป็นน้ํามันจุดตะเกียงได้ไหมเพราะเราไม่เด้มากินนี่เออเห็นไหมนี่สอบบาถามแทนพวกเรา นบีบอกว่าและหัวทารอมมันทารอมทั้งหมดเราจะเอามาทาเรือก็ไม่ได้จะเอามาน้ํามันหมูมาทาตัวไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมกินไม่ได้อยู่แล้วเอามาทาตัวก็ไม่ได้เอามาทาของก็ไม่ได้เช็ดสมมติเรามีรองเท้าเอาน้ํามันหมูมาขัดรองเท้าไม่ได้นะอ่ะชัดเจนนะไปทีละอันเอาต่อมา อัลลอฮ์บอกว่ามาอู่ให้ละรีกอยริละฮิบฮอะไรครับสัตว์ที่เอ่ยนามอื่นจากอัลลอ์ที่มันอะไรเ่ขนาดเชือ่อถ้าเชื่อแล้วไปเอ่ยนามอื่นนอกจากอัลลอ์เช่นน้มของชัชตอนนามของจาวตดอันนี้ฮารอมเลยนะฮารอมในการเอามากินในคราวนี้คำถามต่อมาถ้าจะเกิดสมมติเดันไปเชื่อดวัวลืมกาบิสมิลละ เชือดไปแล้ววัว น, นั้นกินได้ไหมไเออเราเรามุสลิมแต่เราลืมกล่าวไงถ้าลืมกล่าวกินได้ไม่เป็นไรต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อให้เราเป็นมุสลิ ม, มนะอ่าต้องเป็นมุสลิมนะแต่ไม่ใช่มุสลิมแต่กล่าวบิสมิลลาห์ก็ไม่ได้นะเออบางคนบอกเนี่ยฉันใช้ อ, อคนพมา่าข้างบ้านไม่ใช่มุสลิมเล้หรอกคำบูชาแต่เราสอนมันให้กล่าวบิสมิลลาห์มันก็กล่าวเป๊ะเลยมันไปเชือดไม่ได้ต้องคงเป็นมุสลิม แต่การกล่าวบิสมิลลาเนี่ยถ้าลืมศาสนาอภัยให้ไม่เป็นไรเหมือนกับเรากินข้าวในเละเราไม่ได้กล่าวบิสมิลลาอาหารก็กินได้อืนะแต่ว่าคนเราจะตั้งใจอยู่แล้วเวลาจะเชื่อสัตว์ยากที่จะไม่ ท, ที่จะลืมเอาต่อมาว่ามุลคอนีโกเอาแล้วมุลคอีโกคืออะไรคือสัตว์ที่ถูกรัดคอตายทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ต่างใจจะฆ่ามันเลยโดยการรัดคอหรือเราผูกมันแล้วปรากฏผูกเงื่อนผิดเอาขึ้นรถอันนี้มีผูกไปผูกเงื่อนผิดมันขับรถไปพอถึงเอาจะเอาลงมันรัดคอตายไปแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะเอามากินได้ไม่ได้เอาไปฝังอย่างเดียวถือว่าเป็นนายิสเอาต่อมาวันมุนคอนี่ก็วันเมากูดะสัตว์ที่ถูกตีตาย จะด้วยอาวุธอะไรก็แล้วแต่เพราะสมัยก่อนชาวใจริยันใช้กระบองตีเมื่อกระบองตีเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามันมาเอามันมากินรับประทานอิสลามห้ามใช้การตีแต่ให้ใช้การเชือดต่อมาข้อข้อที่ต่อมาอัลมุตตาเดียสัตว์ที่ตกเหวตายตกจากที่สูงหน้าผาและเสียชีวิต ไม่ถือว่าเป็นเป็นที่อนุ ญ, ญาตให้กินแล้วรวมถึงตกบ่อด้วยตกบ่อลงไปแล้วก็ตายเหมือนกันคือตกลงมาเนี่ยจะตกลงบ่อตกลงหิวแลวมันตายนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ตาย <c oughs> เชื่อทันก็ถือว่ากินได้ <c oughs> ต่อมาอันนาตีฮะอันนาตีฮะก็คือสัตว์ที่ขิดตายแปลว่ามันตายด้วยกับการที่มันสู้กัน นะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาอันนี้มีเลือดไหลแต่ไม่ได้เลือดไหลจากการเชื่อดแต่เป็นเลือดไหลจากการที่มันกัดกันมันขิดกันตายสงสัยมันต้องไม่กัดกันหรอกมันต้องเป็นพวกวัวพวกอะไรเนี่ยพราะกินมันกินพืชขิดกันตายอันนี้ก็ไม่สามารถเอามากินได้แล้วก็สัตว์ที่วัวมาอาการาซซาบูอูนะสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินเช่น เราไปเจอซากสัตว์มาเชือกเจ อ, อแกะมาซึ่งมันเป็นแกะที่ถูกหมาป่าล่ามาแล้วมันกินไว้ครึ่งตัวไอ้เราก็ขอแจมเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องจะกินได้ทั้งหมดเลยนะอิลามารักไก่ตุ่มถ้าเชื่อทันที่บอกมาเนี่ยที่ตกเหวตายขิดกันตายแล้วมันยังไม่ตายนะแล้วเห็นมันยังพะงางพะงาบอยู่เชื่อทันถือว่ากินได้ ครนี้ปราดเนี่ยอธิบายต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตายจากการเชื้อหรือมันตายมาก่อนเล้วหนึ่งก็ดูว่ามันหายใจไหมท้องมันยังพังงาบอยู่ไหมอันที่สองหางมันกระดิกไหมและสำคัญที่สุดเมื่อเราลงมีดเนี่ยมันดิ้นไหมถ้ามันไม่ดิ้นเลยนะลงมีดไปแล้วมันชียเลยนะอันนี้กินไม่ได้แสดงว่ามันไงมันตายแล้วแต่ถ้าเราเชืปั๊บแล้วมันมันสะดุ้งอะ ถ้ามันสะดุ้งก็แสดงว่ามันยังไม่ตายเพราะคนเชือดเชื้อสัตว์รูเวลาลงมีดมันสะดุ้งมันสะดุ้งเลยมันจะสะดุ้งนิดนึงนั่นแหละคืออาการที่มันยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเชือดแล้วมันไม่สะดุ้งไม่ตอบสนองอะไรเลยนะแสดงมันตายแล้วไอการเชือดเนี่ยไม่ซ้อเพราะไปเชื้อหลังจากที่มันตายแล้วดีมากเลยทัศยาสะดุ้งแน่นอนออา อันเนี้ยมันเป็นมัสอาล่ที่อยู่ในฟิกเชอร์ฟีกรณีมันตกบ่อถ้ามันไม่ตกบ่อนะต้องเชือดที่คอมันถ้ามันตกบ่อแล้วหน้ามันทิ่มลงไปในบ่อไอ้คนเชือดกับไม่ไหวจะดำลงไปเชือดและหามันกําลังวิกวิกอยู่อ่าให้เราจับหางแล้วเชือดทันทีนั่นแหละเชือดที่หางนั่นแหละเพราะอะไรเชือดที่หางได้เพราะเราเชือดที่คอมันไม่ได้ไงม่นมีความสามารถ ฉูกเฉินผู้หญิงเชื่อสัตว์ได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามเลยว่าผู้หญิงห้ามเชื่อสัตว์แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเชื่อผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยถูกกันเลือดผู้หญิงเชื่อได้ไม่มีอยู่แล้วมันปกติไม่มีใครก็เชื่อที่หางหรอกฉันบอกว่ามันหัวมันจมลงไปในทรายมันสมมติหัวมันไม่ติดอยู่ในบอ่อเอาขึ้นไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วศา ส, สนารักษาประโยชน์ เพื่อให้กินได้ก็คือเชื่อดไปที่หางอย่าว่าจะเชื่อดเลยสมุติฉันเนี่ยใช้ล่านะฉันมีธนูอยู่อันหนึง่งต้องเล็งที่คอหมเล็งตรงไหนก็ได้กาบิสมิลลาส ม, มุติไปเจอกระต่ายป่าตัวหนึ่งกาบิสมิลลายิงธนูเข้าไปมันไปโดนทางก้นมันฟปตายไม่ได้โดนคอมันเลยนะกินได้แล้วเพราะถือว่าโดนคมดาบคมคมอะไรนะคมรอยคมของธนูเรา แต่ที่เชื้อดีกรณีพวกสัตว์บ้านส่วนใหญ่ก็จับได้ก็เชื้อแต่นี่มันเชื้อไม่ได้ไงศา ส, สนาก็บอกว่าเอาถ้าเชื้อถ้าเป็นสัตว์ป่าเราจะจับมาเชื้ อ, อยังไงอะ่ะก็ใช้อาวุธอะไรยิงแต่ให้มันมีรอยแผลแล้วกันตรงไหนก็ได้แล้วมันตายถ้ายังไม่ตายก็มาเชื้อซ้ําอืมคือเรื่องศาสนาเรามันจะมีทางออกแต่ถ้าไม่ใช่อยู่ดีมันตกมันที่เหวนะ่ยคอมันก็มีนะเราไปเชื้อหางอันนี้ไม่ได้คอมีไม่เชื่อเชื้อ ด, ดี่หางอันนี้ไม่ได้ต้อง คอติดอยู่ในบอ่อติดอยู่ในหลุมหัวโผล่มานจหางแล้วถ้าไม่เชื่อมันตายแน่นอนเชื่อเลยเชื่อเพื่อให้กินได้แล้วออกมาก็ถือว่าฮลลนโอเคเอาต่อมา <c oughs> จะเบเชิญนจะ <c oughs> ถอนต่อเลยนะ <c oughs> มาซูบิฮาลนนุซุบใจเย็นนะมันมันมีหลายเรื่องมันอายามันยาว <c oughs> อ้าวต่อมาเอา่ออะไรเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย สัตว์ที่ถูกเชื่อดนสอบนุสุปแปลว่าบนแท่งเชื้อแท่งบูชายันต่อให้มุสลิมไปเชื่อดก่าวพนามขอเลาะสัตว์นั้นก็ห้ามถ้าตรงนั้นเป็นสถานที่เชื้อเพื่อบูชายันพี่น้องรู้ไหมว่าในรอบเมืองมดินมะ ก, กาเนี่ยมีแท่งอย่างเงี้ยสำหรับบูชายันเนี่ยสรอหกสิบแท่นเยอะมาก เขาจะเอาเขาจะเชื้อเสร็จเขาจะเอาเลือดมาลุเขาจะเอาเลือดมาพอเอาเลือดมาเสร็จปั๊บเขาจะไปสตร์ที่กําแพงกระบาดนะรวมถึงสมัยก่อนอากิโก้เนี่ยเขาต้องเลือดมาทาตัวเด็กด้วยนะแต่ของเราไม่ต้องนะสมัยใจร้ายยังเอาต้องเลือดมาทาเด็กเป็นการเหมือนกับเป็นการเส้นไหวและก็ห้ามกินต้องเอาเนื้อเนี่ยมากรองเอาไว้ที่แท่นชำแหละเสร็จก็เนื้อมากองไว้แล้กอะไรมันก็มากินสมัยก่อนนะ ห้ามเชื่อดวงนั้นแม้ว่าคนจะเป็นมุสลิมมาเชื่อสาธธาาัตว์าร่าแต่ไปเชื่อบนแท่นหินที่ไว้บูชายันอันนิฮารอมแล้วก็วาอันตัวาอันตัสตักซีมูบินอัลลาม์และอะไรอีกนะที่ห้ามการที่พระเจ้าเสียงทายด้วยไม้ติว้วรู้จักไม้ติ้วไหมอาหรับเนี่ยจะมีไม้ติ้วอยู่สามอันไม้ติ้วสามันติ้วหนึ่งจะเขียนว่าพระผู้อภิบาลให้ฉันทำ อีกติ้วหนึ่งบอกว่าพระผูอ้อวยพ ร, รห้ามให้ไม่ให้ฉันทําอีกติ้วหนึ่งไม่เขียนอะไรถ้ายโยนออกมาปับ๊บว่าได้ก็ทำอย่าสมมติไม่เคยแน่ใจมีคนมาขอลูกสาวทําไงดีว่าคนนี้ไปแหละไปยืนไปโยนติว้วล้ะออกมาปับ๊บอ้าวถ้าได้แต่งอ้าวถ้าถ้าไม่ได้ไม่แต่งทั้งทั้งมันจะเป็นคนดีขนาดไหนก็ไม่แต่งเพราะมันออกติ้วมาไม่ได้เสร็จแล้วถ้าออกมาเบอร์สามไม่เขียนอะไรเลยโยนใหม่ถ้าออกเบอร์สามโยนใหม่ อา랍เมื่อเกิดความสงสัยลังเลอะไรจะทําการเสียงติ้วตลอดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอิสลามทดแทนการเสียงติ้วแล้วไม่มีให้ทําังไงให้ละหมาดอิสติคราอแทนถ้าเรามีอะไรแล้วเราไม่สบายใจรู้สึกว่ามันจะดีไม่ดีลังเลสงสัยอยู่ไปละหมาดสองรอกาณ์นะอาบน้ําละหมาดสองรอกาเสร็จพอละหมาดเสร็จขอดูอาตอ่อรอดเลยแต่ก่อนละหมาต้องเอาใจเป็นกลางก่อนนะ ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตั้งใจจะเอาอันี้ยอยู่แล้วละหมาดเป็นพิธีไปงั้นแหละดูมันจะดูเหมือนคนเหมือนคนดีหน่อยจะได้ละหมาดเนี่ยฉันอิสติคอร้อนแล้วนะคือคําว่าอิสติคอร้อนนี่ต้องปล่อยใจว่างเลยให้เกาล้อเลยไม่ใช่เราเนี่ยเลือกไปแล้วบางคนเนี่ยเขียนใบสมงสมัครงานไม่เรียบร้อยแล้วพวกนี้จะแต่งตัวอยู่แล้วอันนี้ตั้งใจจะเอาอยู่แล้วไง ละหมาดเป็นพิธีไปงั้นเละอย่างนี้นเขาเรียกอิสติคอรอไม่จริงถ้าอิสติครอจริงจริงเนี่ย อ, อิสติครอจริงจริงคือต้องปล่อยใจกับอันนั้นเลยให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเช่นถ้าอะไรที่ที่อัลลอฮ์เลือกให้เรามันก็จะสะดวกง่ายดายราบรื่นฮิลาญะให้จะง่ายมีคนแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ปับ๊บมันจะมีอุปสรรคหนึ่งสองสามสีไม่สําเร็จแต่ก่อนที่เราจะ อิสติคอร์เนี่ยใจต้องว่างก่อนไม่ใช่เลือกไปแล้วเนี่ยเราไม่เอามันรออีกคนเนี่ยเราคิดแล้วไม่เอามันเราไปอิสติคอร์ในเผื่ อ, อไว้ไม่ใช่ต้องคือปล่อยใจว่างเลยอ่ะดังนั้นอิสลามห้ามเสียงติว้วนะครับห้ามเสียงติวนะทั้งหมดให้อิสติค อ, อ, อ, อร์ก่อนล้อเดลีกุมฟิสกุนมันคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ละเมิดทั้งหมดเลย อันยาวมายะอีสัลดีนักฟารูมินดีนิกุมฟลาตักชาวฮุมวักชาวอุอลฮ์บอกว่าไงต่อวันนี้วันนี้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดเลยนะหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าเลวหมดหวังแปลว่าอะไรคือจะทำให้คนออกจากศาสนาเนี่ยยากแหละถ้าเขาศรัทธาเนี่ยไม่มีออกหรอกนะ แต่มันยังไม่หมดหวังอยู่เรื่องหนึง่งในฮะดิษบอกว่าถ้าคนเราศรัทธาต่อรอแล้วยากที่จะกลับไปกราบไหว้จเจวิตแล้วแต่เชยตอนมันจะทำอยู่เรื่องหนึง่งอ uh ินนเชยต a n ก็แตยาอิซาอายะบูดูฮูอันมุซอลลุนคนที่ละหมาดเนี่ยละหมาดกลาอลล์เนี่ยใน้าบสมุติอาหรับเนี่ยมันหมดหวังก็จริงแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันยังมีหวังอยู่ตลอดคือตฮริสไบนะหุมก็คือทาให้คนทะเลาะ ก, กัน คือทําให้มุสลิมนะ่ะตกศาสนาในะยากแต่ถ้าทําให้มุสลิมแตกแยกกัน น, ะนี่ง่ายนี่แหละเชตตอนมาเลยยุกับเรื่องนี้นะนี่แหละละหมากก็นี่แหละลงมาปับ๊บเล่นกันแล้วเพิ่งละหมากเมื่อกี้ประชุมกันทีไรก็เล่นกันตลอดด่ากันในที่ประชุมเพิ่งละหมากเมื่อกี้เนี่ยเชตตอนมาเล่นงานอ้าวต่อมาอาลัลลอฮ์บอกต่อว่าฟาลาตักชาวหุ่มวักชาวอย่าไปกลัวพวกเขาให้กลัวอัลลอฮ์ให้กลัวข้าอย่าไปกลัวพวกเขาเลย นะอย่าไปกลัวชายตอนอย่าไปกลัวพวกที่ปฏิเสธศรัทธาให้กลัวลออันเดียวมาอัจฉริตัวละกุมดีนะกุมว่าอัจฉริตัวอะไรกุ้มนี่ยมาตีอ่าอันนี้วางนี้คุณนะอลัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วสมบูรณ์แล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าก็ได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าซึ่งความเมตตากรุณาของข้า แปลว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดจะไป ม, มีความเมตตาตรงไหนอีกละ่ะจะไปหวังตรงไหนอีกถ้าเราไม่ได้อยู่ในแนวทางของศาสนาทํายังไงให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามหลักการกรอบของศาสนาให้หมดอัลลอฮ์บอกต่อว่าและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสําหรับพวกเจ้าแล้วอ่าเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นนะที่เป็นที่พอใจนะที่อัลลอฮ์ ฟ้ามานิตตูร์ฟีมัคมาสตินอเลบอกต่อว่าและถ้าเกิดผู้ใดเนี่ยอยู่ในภาวะที่ขับขันหิวโหยโดยไม่ใช่ผู้ที่จงใจตั้งใจเลยสมมุติเราจะไปจังหวัดเนี่ยเราก็รู้มันไม่มีอาหารฮาลาลหรอกแทนที่เราจะเอาไข่ตงไข่ต้มเอาของฮาลาลไปไม่เอาไม่เอาไปหรอกเอาให้มันขับขันละกัน ไปถึงแล้วก็อ้างขับขันกินนั่งกินหมูกรอบเลยขับขันไงนแต่ถามว่าแกเนกี่ยขอโทษที่ตอนที่ออกมาจากบ้า น, น่ะเตรียมได้ไหมโอ้โหเตรียมได้แต่ไม่เอาไอ้ น, นี่แสดงว่าจงใจให้ขับขันถ้าขับขันจริงๆคือไม่ได้จงใจเตรียมมาแล้วของมันเสียถูกขโมยแล้วก็ตรงนั้นไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่อาหารที่ฮารอมยิงกินได้แต่ห้ามกินให้อิ่มนะกินพอประทัง มีคนถามนาบีบอกแบบไหนลถึง จ, จะกินได้บางคนบอกต้องสามวันไม่ใช่นบีบอกว่าอีดารัลมตัสตาบีคูถ้าไม่มีอาหารกลางวันกลางวันเราไม่ได้กินอาหารเย็นก็ไม่มีไม่มีผักกินไม่มีของที่มันทารัานและผัก ก, ก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีเลยนั่นแหละถึงจะกินของคารอมนั้นได้นี่ไข่ก็มีนะแต่ไปกินไม่ใช่อา้าวต่อมา <c oughs> อาลัลลอฮ์บอกต่อนะ แน่นอนฟ่อินนัลลอฮกอฟูรุระฮีมอัลลอ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาอ่ะนี่ก็คือเรื่องของสัตว์ที่ต้องห้ามทั้งหมดนะครับอ่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมีทางออกหมดนะต่อให้เราไปที่ที่ไม่มีอะไรกินเลยขับขันก็ถือว่ายังทานได้นะแต่ให้เราเนียนไว้นะว่ามันคือภาวะที่ขับขันมีฮะดิษบทหนึ่งอลัลลอฮ์นบีบอกว่าอาลัลลอฮ์รักคนที่ใช้ภาวะขับขัน คือไม่ปล่อยให้ตัวเองถึงคาลถึงคาต้องต้องเสียชีวิตใช้ลุกซ้อเอาล้อพอใจและเอาล้อหลังเกียจคนที่ทําบาปไม่มีลูกซ้อเลยแต่อ้างว่าครับขานแล้วไปกินอันเนี้ยบาปแต่ถ้ามันลูกซ้อจริงๆเอาล้อพอใจพอรักษาชีวิตเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีกว่าอ้าวอ่านต่อนะอายะที่สี่ยะลูน่าแกมะเดออูฮิลลาและฮุม قل أحيلا لكم الطيبات،, الطيبات ومالتم َ من َ الجوارح َ مكلبين. มุคลิบินะตุ علمونا หุนัมิมมา علمكم الله ฟักุลุมิมมา ل ัมสัก عليكم وذكر ل s m a الله عليه واتقوا الله อินันลฮาหสรี ع الحساب ยสอลูอนกะกัมแด้อุฮิละละหุมเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขาเขามาถามว่ามีอะไรหลานบ้างอ่ะตอบยังไงดีโอ้โหย่ามกันนะ่ะ ถ้าตอบเป็นอย่างเนี่ยข้าวกับฮาลาล น, น้ำกับฮาลาล น, น้ำสะอาดน้ำผ ล, ลไม้ไล่ไปดิตอบเป็นวันก็นไม่มดอ่ะใช่ไหมถ้าตอบแบบรายละเอียดนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้นบีตอบแบบนี้กุ้นจงกล่าวเถอดมูฮัมหมัดโอ้ให้และและกุมุดตอยิบัดสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติเนี่ยคือสิ่งดีๆทั้งหลายอะไรที่เป็นเรื่องดีเน่ยศาสนาอนุมัติหมดเลยอ่าผู้หญิงแต่งงานนะเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีความ เค่งคัดศาสนาอนุมัติไหมอนุมัติแต่ถ้าผู้หญิงไม่เป็นมุสลิมอนุมัติไหมไม่อนุมัติเห็นไหมเพราะในในมุมของอิสลามถ้ายังไม่ได้มีอัลลอฮ์ยังไม่ได้ศรัทธาก็ถือว่าเป็นคนเป็นคนที่ดียังยังไม่ดีถ้าจะดีต้องต้องรับอิสลามแต่ถ้ารับอิสลามแล้วิการได้ไหมได้อันนี้พูดถึงโดยทั่วไปอาหารก็เหมือนกันนั่นแหละนะสังเกตได้เลยว่าอาหารอะไรที่ศาสนาห้ามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นับซูเราก็ไม่ค่อยอยากจะ ยุ่งอยู่แล้วนะทีนีนอ้อถ้าเราไม่ทานอะไรแต่อันนั้นเป็นที่อนุมัติเนี่ยก็ไม่ในหมายความว่าเราจะไปเปลี่ยนหุกก ม, มยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่อซ อ, อบ้านนาบีเชิญ น, น, นาบีไปซอบ้านนาบีเชิญนาบีไปปรากฏในเผ่านั้นเขากินแย่ทะเลกิงกากิงกาทะเลตัวใหญ่เลยนะ ตัวใหญ่เลยไม่ใช่ตัวแบบบ้านเรากระโตตัวกระปอมนี่ตัวเล็กไอ้นุ่นตัวใหญ่เลยดูไปดูมาคล้ายๆอยู่ในคลองแต่ไม่ใช่ไอ้นี่มันกินพืชอยู่ในทะเลอยู่ทะเลทรายก็ตัวตีอยู่ในทะเลทรายเขาก็เอามาเชือดพอเชือดเสร็จเขาก็แขวนกระหางมันห้อมันนะเสร็จแล้วก็เอามาทําอาหารให้ท่านอาบีท่านอบีก็ยืนก็นั่งมองมองแล้วก็มองอีก <laughs> จนกระทั่งคนคนนั้นหยิบใส่ปากไปสองสามคำแล้วยราสูลล่ะมันทารอมหรือปะเนี่ยมันทารอมไหมเนี่ยถ้าทารอมฉันจะได้ออออกไปเอาเอ า, เอาแพะมาแล้วกัน <laughs> อา่านบีบอกอ๋อไมนไม่ทารอมหรอกแต่ที่หมู่บ้านฉันเขาไม่กินกันไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยยันท่านกินเถอะนะนบีก็ทานอย่างอื่นทานอิผาลัมไปอนับสู้ไหมครับ <laughs> <laughs> เห็นแล้วมันไม่น่ากินมาเป็นป้องป้องป้อ ง, องมาเลย <laughs> เออนั้นบางอย่างที่เราไม่ทานก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะคารอมแต่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่อยากทานมันแค่นั้นเองก็ไม่ต้องไปบังคับทํำไมไม่กินล่ะของฮัลลนนะไม่กินแปลว่าคารอมนะไม่เกี่ยวก็ฉันไม่กินนะ่ะเออคนไม่กินแพ้จะไปบังคับ ก, ก็ตามนั้นแหละแต่แพ้ฮาลลาันนะอ้าวต่อมา ว่มาอัลลัมตุมมีนันจาวาริฮิมุกันลีบีนาตัวอัลลิมูนาหุนนามิมาอัลลามากุมุลลอและบรรดาสัตว์สําหรับล่าเนื้อที่พระเจ้าได้ฝึกสอนมันอ่าในอราบเขาใช้อะไรล่าสัตว์บ้างทายาเคยดูสารคดีไหมมีตัวอะไรบ้างงูงูอ๋อธนูไม่ใช่เอาสัตว์ดิใช้สัตว์จับ หมาสุนัขล่าสัตว์หมาสุนัขล่าสัตว์แล้วยีกอันหนึง่งเยี่ยวเยี่ยวอะ่ะมันจะบินเขาจะมีไหมอินซีหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เธอเขาจะเลี้ยงอะดับจะเลี้ยงนะแล้วมันจะเป่าฟิตพเป่าเสร็จปั๊บมันไปเลยฟับใช้กรงเล็บจับตัวมันอะกินไม่ได้นะไอตัวอินีเนี่ยเพราะมันล่าสัตว์ด้วยกรงเล็บแต่เอามาฝึกและให้มันจับสัตว์มาให้หมาเนี่ย ตอนแรกฉันเรียนฟิกเนี่ยฉันตกใจเขาบอกว่าน้ำลายสุนักไม่ใช่นายิสฉันบอกเฮ้ยมันจะไม่ใช่นายิสได้ไงอ่ะก็บอกว่าจากอายะกุรานี้แหละทําให้น้ําลายน้าลายสุนักไม่ใช่นายิสเพราะอะไรเพราะสุนัขเวลามันจะล่าสัตว์มันไม่ได้ใช้มือตะปบมันใช้ปากงับเมื่อใช้ปากงับน้ําลายมีไหมมีแล้วศาสนาบอกไหมว่าต้องมาล้างน้ําดินไม่ต้องไม่ต้องแล้วเชือดแล้วก็กิกนได้เลย ไม่ต้องไปเอาแผลมันมาล้างน้ําดินไม่ต้องนะถ้ามันงาบคาบคาบอะไรมาแล้วฝอดมันสัตว์นั้นไม่ต้องมาล้างน้ําดินแล้วกินได้ตรงเนี้ปาดเห็นต่างกันเลยบอกว่าตโลงมันเป็นอายุสไหมเนี่ยถ้ามันเป็นต้องล้างสิมาลีกีก็เลยบอกว่าไม่เป็นหรอกที่ล้างเป็นตาบุตรล้างเป็นเป็นอิบาดาตัวมันไม่เป็นหรอกเพราะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอายิสใช้ม้าใช้หมาล่าสัตว์ก็ต้องสัตว์ตรงนั้นต้องไปเอามาล้างน้ําดิน อิมัมเซฟีบอกไม่ใช่เป็นอยุทเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เ น, นี่เป็นเฉพาะเอาไว้เพราะมันยากไงในการที่จะไปล้างเพราะว่ายังไงใช้สุนัขมันก็ต้องมีน้ําลายในการงับเอาไว้อยู่แล้วก็เปิดเอาไว้เฉพาะเรื่องอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นให้ล้างน้าดินทั้งหมดเห็นไหมนี่คือเรื่องนักิกเขาก็จะวิเคราะห์ออ ก, กันไงจากอายั ก, กุูา น, นี้แหละสรุปแล้วอย่าไม่ใช่แค่ไม่แค่เหยี่ยวอย่างเดียวหรือสุนัขอย่างเดียวยังใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นสิงโตเสือ แต่ฉันยังไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนที่ฝึกมันจะยากไงฝึกสินโตให้ล่าสัตว์ส่วนใหญ่มันจะมันจะกินไอ้คนนั้นแหละไอ้คนฝึกไม่รู้เดลาราเป่าแต่ถ้าเราฝึกสินโตให้ล่าสัตว์ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันเอเละบะตอตฟอกูลูมิมมาอัมซักนาไลากุม้มจงบริโภคสิ่งที่มันจับมาให้เจ้าเงื่อนไขนะถ้าจับมาแล้วมัน ยังไม่ตายกินได้เลยไหมไม่ได้ต้องเชือ้อแต่ก่อนจะจะปล่อยมันต้องต้องกล่าวบิสมิลลาอันต่อมาถ้ามันกินของมันและแบ่งให้เราสมมุติเราปล่อยหมาไปมันงับขาไปขาหนึ่งกินไม่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เอามาให้เราอันนี้กินไม่ได้เพราะถือว่ามันไม่ได้จับสัตว์มาให้เรามันจับเพราะมันจะกินเองต้องจับมาในสภาพครบสมบูรณ์ไม่ใช่โดนกินไปแล้ว ถ้าดนกินไปแล้วเอามาเชื้ อ, เ อ, อเอามาอะไรเอามาเอามากินไม่ได้อันต่อมาห้ามถ้าเป็นสุนัขล่าสัตว์ห้ามผสมกับคนอื่นต้องตัวใครตัวมันถ้ามีหมาตัวอื่นมาสุมารบสวมรอยด้วยไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าไอตัวที่จับมามันใช่ตัวที่ตัวเราหรือเปล่าหมาของตัวเราหรือเปล่ามีคนมาถามยาโรสุลลลลแล้วทําไมล่ะจะไม่ได้เพราะบอกว่าเวลาเจ้าก่าวบิสมิลลาเนี่ยกาวให้หมาตัวอื่นด้วยป่ะเปล่าเฉพาะหมาเราที่เรากล่าวตัวอื่นมันม า, มาร่วมด้วยไม่ได้ เนี่ยรายละเอียดเ ล, เ, ลเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคนลาบากแล้วครับใครจะไปล่าละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อตามตลาดกินกันนะแต่สมัยก่อนมันก็เรื่องล่าสัตว์เป็นเรื่องที่พันสี่รอกว่าปีที่แล้วนะศา ส, สนา ก, ก็เลยมีข้อกำหนดมาอ่าดูต่อนะวัดกูรุสมาห ล, ลอฮีอาเลหีวัตะกุลลอ และจงกล่าวพระนามขอล้อบนมันเสียก่อนแปลว่าก่อนจะปล่อยเหยี่วไปก่อปล่อยสุนัขล่าไปเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาและให้มันจับมาจงยำเก่งต่อล้อเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวนครนี้มีหะดิษบทหนึงนหน่งนะะดิษบทหนึ่งบอกว่าอีดอารซนตา เวลาที่เรายิงธนูไปอันนี้พูดถึงอาวุธนะยิงธนูไปแล้วปรากฏว่าธนูเนี่ยมันไม่โดนส่วนที่มีคมมันอาจจะเป็นหัวธนูแล้วมันไม่เข้ามันไปกระแทกโดนจุดสําคัญและสัตว์ตัวนี้ตายมีคนถามนาบีว่านาบีครับเราจะกินสัตว์ตัวนี้ได้ไหมนบีบอกกินไม่ได้ทําไมกินไม่ได้เพราะว่ามันคือสัตว์ที่ถูกทุบ ต้องมีรอยจากบาดแผลถึงจะกินได้แต่สมมติเรายิงไปเนี่ยมันไม่เข้าเลยมันไปกระทจตุกแล้วมันตายไม่มีบาดแผลเลยนะอันนี้กลายเป็นซากสันแล้วกินไม่ได้แต่ถ้ามันยิงไปแล้วมันไปเฉียวคอเลือดไหลแล้วตายอันนี้ถึงจะกินได้ก่าวน้มขอรอดด้วยก่อนที่จะยิงธนูก่อนจะปล่อยสัตว์กาวพนามขอรอดมีคนถามท่า น, นา ul อับดุลลาะ์อินนักามุญยะตูนนาโอท่านอับลครับพวกเราเนี่ย เคยเป็นกูฟอดมาก่อนวันเนี้ยเรากลับมาเป็นมุสลิมแล้วซึ่งเราเองก็มอาหารที่เขาเอามาให้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรู้หลักการการเชื่อ ด, ดีขนาดไหนแต่เขานะ่ยมุสลิมแหละแต่เขาเพิ่งรับอิสลามมาไม่นานเนี่ยไม่รู้เขาจะเชื่อสัตว์ถูกต้องตามหลักการศาสนาเราไหมสงสัยถามนาบีว่าฉันจะกินได้ไหมนบีบอกว่าแลนจรีถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นยังไง แต่เรามองแา่พีนาแล้วว่าน่าจะในของมุสลิมแล้วนั่นแหละแต่เราไม่รู้หรอกขั้นตอนมันเป็นยังไงเรากล่าวว่าอุษอุออูออูกรสมัลออไลฮาให้กล่าวนามขอลอหมายถึงคนกินเราเนี่ยกล่าวสมุลลออันตุ่มวะกุลูนะเมื่อคนกล่าวกล่าวพระนามขอลออันนั้นก็กินได้เลยเห็นไหมคือเรื่องอาหารนี่ศาสนาเปิดไว้เยอะนะ ไม่ได้แบบเข้มงวดอะไรนั่นไม่ทำไม่ได้พราเราเนี่ยบางทีเข้มเรื่องอาหารมากเลยนะโอ้ยตรวจละเอียดมากไอน้ น, อนุ่นตรงไอ้นี่เรื่องอาหารเนี่ยเปิดกว้างจนกว่าจะเจ อ, เจอมันทารอมกินไม่ก่อนเห็นปั๊บกินเลยพอกินเสร็จปับ๊บต้องถามไม่ได้ว่าที่ไม่กินพ่ออะไรไม่จะถามว่ามันทาล้านพ่ออะไรต้องถามไม่ถามว่ากินได้ไหมต้องถามว่ากินไม่ได้พ่ออะไรเปลี่ยนคําถามเราไปเจอน้ําจิ้มซีฟูด้ดเขาทำมาไม่กินกินไม่ได้พ่ออะไรถามบอกก่อน อ๋อเป็นใสเหล่าใส่หมูใส่อะไรถึงจะต้องบอกงั้นดูแล้วไม่มีอะไรเลยของฮาล้านหมดไอคนทํากับพวกเราอีกรู้จักกันข้างบ้านเราอ่อานี้ดูแล้วไม่มีอะไรกินได้อ่าจะใส่รถดีหมูก็คารอมแล้วไงก็ต้องบอกให้ได้มันคารอมเพราะอะไรไม่ใช่บอกว่ามันฮาล้านเพราะอะไรเพราะขอมันฮาล้านในตัวมันอยู่แล้วคือของกินเนี่ยนะต้องไปถามไปคารอมมีคนนึงบอกว่าไก่ที่หนึ่งคารอมเพราะว่า เกาเขาแช่น้ำแข็งมาก่อนที่แช่น้ําแข็งเําไม่ไปล้างก่อนเพราะแช่น้ำแข็งมันมีมันมีน้ำเลือดฉันบอกโอ้ไม่ใช่และมัวเลือดนั้นไม่เป็นอายุธบอกแล้วเลือดที่เป็นอายุธคือเลือดที่เชื้อเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เปืเ้อเลือดกําลังไหลเชื้อเลือดอยู่ในเนื้อไม่เป็นอายิธแล้วก็เละเทไปหมดออคุ ก, กมาาอมวาฮาลอมทั้งๆนี่มันไม่ไดอารอมก็ไม่มีความรู้ศาสนาอืมิลิน นี่ถามเลยว่าเขาใส่มิรินไหมถ้าใส่มิรินกินไม่ได้แต่ทุกที่ตามตลาดนะ1สิ บ, บาทมันมีทางใส่หรอกแพงอ๋อไม่ ร, ม ร, ออมรู้เป็นไรไอของแพงน่ากลัวไอชิ้นไอคำละห้าสิบบาทคำละคำละร้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีใส่เหล้าญี่ปุนนะ่นจะใส่มิรินอ่ามิรินมิรินคือเหล้าถ้าใส่เหล้า ก, ก็กลายเป็นใส่นายิส แต่ที่ตาประลาดนัดสิบบาทไม่มีหรอกป้แพงมใส่ไปมิลินเป็นเป็นเหล้าของญี่ปุ่นจ๋าว่าไง ก็เนี่ฉันบอกว่าเวลาเวลาถามฉันกินได้ไหมเนี่ยถามฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันงก็ไม่ได้ไปย่างกับมัน <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่รู้เลยถ้าฉันทำเลยฉันบอกได้ฮ ะ, อ, าา อ, ะอ่ะา มันไม่มีอะไรจะกินแล้วจะไปแย่งกันมาไก่ไก่ไก่มันหาล้านใช่ไหมไก่ไก่ไก่เนื้อเนื้อเนื้อสะโพกฮาล้านก็ล้างก่อนกินได้ไม่มีปัญหาตัดทิ้งหรือไม่ก็ล้างออกก็ได้ นะครับล้างออกก็ล้างออกก็ได้ออกกไดคือคือเรื่องเรื่องน้ำลายสุนัขนี่นะมีหลายทัศนทัศน์ที่หนึ่งล้างเฉพาะที่เป็นภาชนะถ้ามันยังอื่นเนี่ยไม่ต้องล้างเช่นหมามันกัดมักัดเราเนี่ยงับเข้าไปเนี่ยบางคนกว่าจะไปหาล้างน้ําดินเป็นไงพี่ติดเชื้อไ ป, ไปดูเลยไปไปหาหมอเลยข่าเชือ้อแต่ล้างน้ําดินในกรณีที่มันมาเลียภาชนะถึงล้างน้ําดิน และสิ่งที่สามารถล้างได้แต่ถ้าร่างกายเนี่ยมัสสะพันชนานฟีเนี่ยเป็นมัสสะพี่โมเดนที่สุดโมเดลแปลว่ารู้ไหมล้างสันไลได้เลยแทนน้ำดินได้ฮานาฟีจักเชิญนะใบบอให้สอนต่อนะอ่าขออนุ ญ, ญาตอ่านต่อนะอีกอายะหนึ่งแต่แปลลำบากแนละ้วเพราะว่ารายละเอียดเยอะแต่อ่านอ่านละก่อนแล้วกันนะอายะที่ห้า เรื่องหมานี่เยอะอเลยวมาอุฮิลละกูมุตติบัด وطعام الذين أُطِلْ كِتاب ว่าตมุ่นแล้วน้อุตุลคิทับฮิลุลละกุมวต้มุคุมฮลุลละหุมดูให้ดีนะในกุ่มมาในหุ่ม อันแรกตออามุลละดีนอะตอว่าตออามุลละดีนอูตุลกีตาบ้อูบ้ฮลลุลละกุมว่ตออามูกุ้มฮิลล um ุลละหุมอันหลังหุมอันนากุมอีกรอบหนึ่ง วَาตัวแอมุลลาฎีนาอุตุล k i ا ب َ a h i l l u l ละกุมวَาตัวแอมุกุมฮิลุลละหุม والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آ, آ ت ى تموهن أو جرهن นะมูฮซินีน إذا أ อ ي ت م ه ن ا أجرهنا محسنين มุฮซิน <t ries> <t ries> ีนั้งอีร่ามุซาฟีฮีนั้วลามุตาฮดีอัคดานอีรอบนะ محصينا غير مسافحين ولا متخذين أ خ د ا وما يك ฟุร์บิล إيمان ิฟะควะดะฮับอีตัวอัลอาลูอาลูฮ ح บอีตัวอัลอาลูนะอีรอบหนึ่งว่าไม่ยฟบิล إيمان ิฟะควะดะฮับตัาล และาม่ยึดครึ่งในมันแต่คัอ่ะดวารมานายะเ้ายนรัี่เรัะเรีนันวันนี้ อันยาวมากอุ้ยแล้วกุมุด ต, ต่อยิบาตวันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวะเจ้าอาหารและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีนั้นก็เป็นที่อนุมัติแก่เจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาศาสนาอารุม์อรวยให้เรื่องนี้ถ้าเป็นชาวคำพีนะ อ่าชาวกัมพีก็สามารถที่จะกินอาหารของเราได้และอาหารของเขาก็กินได้อของเรามีปัญหาหรอกแต่ของเขาเนี่ยกินได้ไหมแต่อย่างที่บอก เ, เดี๋ยวนี้ชาวกมพีเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันแทบจะไม่ใช่ข่าวชาวกำพีแล้วเดี๋ยวนี้ชาวกำพีก็กินหมูกับเราเลยไปกินหมูแล้วไม่ใช่กินหมูกับเรากินหมูกับคนอื่นแล้วแต่โมกรในชาวกัมพี <c oughs> ที่เค่งคัดเนะ่ะเขาก็ไปกินนะเดี๋ยวนี้กินเละไปหมดก็ต้องระวังนะ แต่ว่าในสมัยชาวคัมภีร์ที่เขายังเชิงคัดศาสนาอยู่นะ่ะแทบจะหลักปฏิบัติเขาเหมือนกันเลยเชื้อชาติเขาก็ต้องกล่าวพระนามของขอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์บอกต่อว่าวลมุซอ น, นตะะแตุมีนัลมุมินีนมุซอนแแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าบรรดาหญิงที่บริสุทธิ์มุซอนนี่แปลว่าป้อมปราการป้อมปราการมุซอนให้แปลว่าป้อมปราการบาปป้อมปราการที่เป็นบาปให้กับผู้ชาย ผู้หญิงที่ดีจะเป็นป้อมปราการบาปต่างๆให้กับสามีเป็นมุกซอนัดแต่ผู้หญิงที่เลวๆเราไม่ดีผู้หญิงที่ไม่ดีขอมาอัพทีแมไปจ่าพูดเลยผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแรงดึนดุดให้สามีทําบาปตรงกันข้ามเลยนะกลายเป็นเป็นพาบาปมาให้สามีแต่งตัวโป้ผัวกับบาปนะ ชวนกันไปทำในเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเป็นมูสสอนัทเนี่ยเขาจะเอาหัวใจไว้กับเธอคนเดียวไปเจอของขารอมคนนี้คนนี้คือทำให้ฉันเนี่ยงดจากการไปทำบาปสินงสินาไม่สนเลยเพราะยุ่งกับภรรยาของฉันเป็นเกาะป้องกันบาปนะหัวใจเขาจะมั่นคงและนางก็รู้สึกสบายเราก็อยู่กับนางก็สบายใจเป็นมสอนัทให้กับใครมุมีนีนคนที่เป็นผู้ศรัทธานะ มีนัดมุกมีนาดขอโทษทีเขว่าไงนะหญิงบริสุทธิ์และหญิงที่ศรัทธาบรรดาหญิงที่ในหมู่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์และเป็นหญิงที่ศรัทธาเป็นที่อนุมัติและอันนี้แหละว่านมวสนาตมวสนาต <c oughs> ก็คือหญิงที่บริสุทธิ์จากบรรดาชาวคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าเนี่ยปราดเห็นต่างกันเต้นไปหมดเลยตกลงแต่งกับยิวแต่งกับคริสตได้ไหม เออหนิกาได้ไหมแต่ประเด็นคือต้องเป็นผู้หญิงนะแต่งกับผู้ชายไม่ได้นะต้องเอาเป็นผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายมุสลิมไปผู้หญิงผู้ชายที่เป็นผู้ศรัทธาแต่งกับผู้หญิงที่เป็นยิวเป็นคริสต์ได้ไหมปรากฏว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีคนไปแต่งพอมีคนไปแต่งปั๊บเขาก็บอกว่าจะไปแต่งได้ไงพวกนี้บอกน บ, บีซาเป็นพระเจ้านะก็เลยไม่แต่งเพราะไม่แต่งเสร็จอิยากุรานนี้ลงมา พอแยกกันแรกลงมาเศสซาบาก็แต่งมีพาบ้าหลายคนแต่งท่านอุสมานแต่งกับ ย, ยาฮูดแต่แต่งปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมเมื่อแต่งไม่นานผู้หญิงคนนั้นมารับอิสลามคือไม่มีเลยนะคือแต่งแล้วจะอยู่แบบตา่างคนต่างอยู่อะ่ะมายุคท่านอุมัต์อ่ะแข็งพวกนี้ไม่รับด้วยต่างคนต่างอยู่พอพอไม่เปลี่ยนแม่เป็นยิวสามีเป็นคริสอขอโทษ ส, สามีเป็นมุสลิม ปัญหาตกอยู่ที่ใครรู้ไหมลูกลูกงงวันสาวแม่ไปโบสวันวันศุกร์พ่อเข้าสุราลูกงงท่านอุมมัดก็เลยบอกว่าให้ให้มันมีน้อยที่สุดอย่าให้มีเลยมีแล้วมันปัญหาเยอะคือท่านอุมมดก็เลยบอกว่ามีแล้วปัญหามันเยอะแต่สมัยท่านอบี๋นมันมีปัญหาเพราะอิสลามเข้มเข้มแ ข, ข, ข็งมากส่วนใหญ่มาแล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนตามดังนั้นปราดเลยให้หุกลมว่ามักรอ ถ, ถ้าจะไปแต่งงานกับ คนที่เป็นชาวคัมภีร์และฮารอมเด็ดขาดเมื่อมีข้อพิพาทกันเช่นเป็นข้อคู่กรณีสงครามกันและไปเอาเขามาเป็นภรรยาเท่ากับกําลังเอาเป็นไส้ศึกเพราะไม่เน่เราคุยอะไรไปเอาไปไรายงานหมดนะสุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยมุสลิมกันเองเนี่ยยังลําบากเลยนี่จะไปเอาคนอื่นใช่ไหมดังนั้นถามอุกรมของอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนครับแต่งงานได้แต่ต้องดูบริบทเยอะมากเลยเหมือนอย่างสมัยท่านองมัต เพราะว่าหลังๆมาปัญหาอยู่ที่ลูกเลยครับแม่แม่ก็เป็นอิบัตศาสนาหนึ่งพ่อก็อิสลามหนึ่งนะแต่ที่ฉันรู้มาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทํานะก็ไม่มีใครทํานะอะที่อยู่ในอาหรับเองก็ไม่มีใครเพราะว่ามุสลิมเราก็เยอะแยะมีให้เลือกเยอะแยะจะไปยุ่งทำไมอะนะเอออ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อ อิ ذا อาตาตัตยิตมูหุนอูจุราหุนมัฮซีนีนักร้อยราะมุซาฟิฮี น, นั้วลามุตะคิดีอัคดานเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้มอบให้แก่นางซึ่งศีลสอดในฐานนะผู้แต่งงานไม่ใช่ผู้ที่ทําดินาให้มหัตเหมือน ค, คนแต่งงานไม่ใช่ให้เงินเหมือนค่า ค่าอะไรค่าซีนารู้จักไหมคาซีนาก็จ่ายซื้อบริการเนี่ยมาฮัตเนี่ยให้มันเหมือนกับมาฮัตหน่อยงงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ให้มาฮัตเหมือนซื้อบริการอะถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่ว่ากันมาฮัตหลักร้อยอย่างเงี้ย <laughs> เราก็บอกโอ้โหเออคือให้สมเกียรติให้เหมาะสมกับสถานะแล้วก็รวมถึ ง, งเราด้วย นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านาฟาัฟกต้องจ่ายหลังจากนั้นด้วยไม่รู้นะฉันเห็นในเฟซขอรับบริจาคมหัตหลักพัน ไ, ม, ไม่รู้มีเห็นอยู่ฉันก็บอกว่านี่ขนาดมาฮัตยังขอรับบริจาคนัฟาก็ไ่เปิดต่อเลยหรอเนี้ยถ้าเกิดสมมติแนตะถ้ามหัตยังต้องขอรับบริจาคนี่นะผมว่าทํางานเก็บเงินเถอะนะอืม มันคุณความสามารถความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งนะไม่ได้หมายาว่าจนแล้วจะแต่งงานไม่ได้นะจนก็แต่งงานได้แต่ว่าบางอย่างก็ควรที่จะทำให้เห็นว่าเราเป็นเป็นคนที่รับผิดชอบวิยาสุบินละเล็กก็ไม่ใช่พวกคบชู้นิก้าแต่งงานอย่าทำเป็นคนเหมือนคนรับรับล่อๆ อ, องงไหมแต่งงานแต่ทำเหมือนแบบคบชู้อ่ะ แต่งแล้วไม่ประกาศไม่บอกใครจะไปไหนก็แอบไปเหมือนคบชู้เลยแล้วแต่งงานเหมือนคนคบชู้ไมไม่เหมือนพวกคบชู้ต้องหลบๆซ่อนๆแต่ถ้าแต่งงานต้องไปซ่อนใครไหมประกาศไปเลยเบิดแม้ว่ามาจะมีผลถามาก็ถาม <c oughs> ก็ต้องบอกแต่งงานน่ะจะไปหลบซ่อนๆไงเนอี่ยเอาเละาะกุฎานบอกว่าแต่งงานไม่ใช่กรณีเหมือนกับไปทำซินา ไปแอบซ่อนซ่อนใจตังกันเล็มับหรือครบชู้จะไปหาภรรยาทีต้องกลัวคนนั้นเห็นกลัวคนนี้เห็นอะไรหาภรรยาภรรยาเราเปิดเผยไม่ได้โชว์นะเปิดเผยให้รับรู้เอาต่อมาแล้วก็ผูดด้ใดที่ปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาไร้ผลฮาบิตต์ตอัมาลุอมมุงานไร้ผลหมดโดยในวันพอระโบรกเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนนะ ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงอย่างมากนะครับอิสลามห้ามเรื่องคบชู้อันที่สองอิสลามห้ามในเรื่องของการให้มาฮัตเหมือนกับไปทำดีนาแต่ให้เกียรติกับเธอตามสถานะของเธอนั้นมหฮัตเนี่ยมันก็ต้องหลักเยอะหน่อยอะ่ะเป็นหมื่นแหละเออสมน้ำสมเนื้อหน่อยไม่ใช่125ร้5ยี่บห้ารอกญรับถูกกับบรทุบ้านฉันีบรรทจะเรื่องแพงกว่าอีก นายอย่าไปผู้หญิงอย่าไปตั้งเงี้นะน้อยยี่สิบห้าเนี่ยตายเลยต้องแยกกันบ้านนันนฟกมหัศก็เป็นเงินเก็บของนางเงินเก็บของนางที่นางจะเอาไว้ใช้ตอนไหนรู้ไหมเวลาถ้าไอ้บางมันดื้ออะไรมัจะซื้อยาได้ได้เสนอซื้อยาได้แล้วไงถ้าเกิดสมมุติเราเกิดไม่ใช่ดื้อหราอาจจะแบบใช้ชีวิตไปแล้วเบื่อหน่ายก็ใช้เงินมหัดนีแหละซื้อยาได้ ผู้ชายเขาโอเคอ้าวในเมื่อได้เงินกลับมาอ้าวอาจจะยอมแลกแอนนั้นนั้นไม่ได้แปลว่านิก้าให้มันยากไม่ใช่แต่ให้มันมีความตั้งใจง่ายไม่ใช่มักง่ายอ๋ออันนั้นเขาเรียกเป็นเงินเป็นเงินอะไรนะเป็นเงินก้นถุงอะไรเขาไม่รู้แล้วมีชริกา้าเนี่ ย, เ, ยเงินเนี่ยเขาถามว่าชริก้าไหมงงไหม สมมติเข า, เามาแสตหนึ่งเนี่ยเขาบอกชาดิกาถ้าบอกชาริกานี่แสดงว่าเป็นของผู้หญิงห้0 0 0ืผู้ชายห้าห0ื่นแบ่งกันแต่ถ้าบอกมาัดปั๊บของผู้หญิงหมดเลยเนี่ยมันจะมีบ้านดาเนี่ยสายเก่าเขาจะบอกเข er ้าชาดิกัสไหมชาดิกาไหมชาดิกาเลยวะอ๋อแบ่งครึ่งให้เขา้าูชาผู้ชายก็เก็บไว้ครึ่งหนึงผู้หญิงครึ่งหนึ่งถ้าบอกม ah าัดทก็เป็นของผู้หญิงหมดจริงๆมันต้องเป็นของผู้หญิงทั้งหมดก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องศาสนานะไม่มักง่าย แต่ทำอะไรให้สะดวกเชิญฮะจบแล้วจ้ า, านะอ๋อแถวมันต่อมาไหมแหละฮัยาแถวมันต่อมาไหม อาถ้าแถวต่อมาก็ตรงนั้นเลยได้เลยถ้าแถวมันมาเรื่อยๆนะอย่าสมมติเราเห็นแล้วแถวปู ม, มาลยลอยลอมาเราก็ไม่ต้องเดินแล้วเราก็เอาตรงนั้นเลยเยอะเลยได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีซอฟต์เราไปตั้งละหมาดคนเดียวนี้ไม่ได้มันต้องเดินเข้าไปให้มันมีเสาเจอเสาแถวๆก่อนอาจารย์ยาฟัดมาแล้วฮะเรียนเชิญฮนะสุภ า, านะกอฮุม่อบฮัมดิก า, ดอลลาอัลลาะอิลาฮอิลลอัตสตัฟุกวตูบิัสสลามุอะลัยกุมะราฮมุุลลอฮวะบรากตุ